4. โพชนาวัค 10. ทันตะโปณสิกขาบทว่าด้วยการรบับประเคนอาหารนอกจากน้ำและไม้ชาระฟันเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสอสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกุตาคารสาราป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งพูดถือว่าทุกอย่างเป็นของบังสุกุล พักอยู่ในป่าช้าท่านไม่ปรารถนารับพัตทหารที่พวกชาวบ้านถวายเที่ยวถือเอาเครื่องเส้นตามป่าช้าโคนไม้หรือธรณีประตูมาฉันพวกชาวบ้านพากันตําหนิประนามพลทนาว่าฉนัยภิกษุนี้จึงถือเอาเครื่องเส้นของพวกเราไปฉันเองเล่าภิกษุนี้อ้วนล่ําเห็นทีจะฉันเนื้อมนุษย์กระมังพวกภิกษุได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิ ประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าจะไนภิกษุจึงกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลําคอเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตาหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ